ลูกหลานมิจฉาอาชีวะก็มีมีข้อบดไม่ชนะจะพูดจะปาลบแต่มาของเรามันก็เป็นน้องของหลวงปู่มหาไม่มขเข้าเสี่ยวหลวงปู่มหาแล้วหลวงปู่มหาน้ามากจริงเนะี หลวงปู่ก็รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีเช่ไหมคะหลวงปู่มาหาดูแลนะคะอืมไม่ค่อยดีค่ะหนูไปตอนนั้นก็ไม่พบท่านเห็นอบอกเข้ากรุงเทพเชิญยันพ่อคุณแม่มาด้วยอืมไม่มาใช่ไค่ะแต่ว่าได้ทำที่ความตั้งใจไว้คือว่า เสร็จงานหลวงปู่แหวนแล้วเหมือนจะว่าไม่มีหลวงปู่แหวนแล้วผู้ช่วยนั่นหนูไปบ่อยนะใช่ปะเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ได้ไปซักยีอนอะไรให้อยู่เจ็ดแปดวันโรงบานนะนะคะแล้วพอดีก็เลยว่าหมดแล้วก็จะหันไปดูพ่อคุณแม่บ้างให้ทําปวนาอืก็ได้ผลนะหลวงปู่สองคนก็ยอมทําแล้วหนูก็จะช่วนมาที่เนี่ยอยากให้มาฟังหลวงปู่บ้างท่านบอกว่าอย่ไปเลยมันมีห่วง ท่านภาวนาพุทโธอลยพุโทโธเนี่ยดีพุโทโธก็ดีอยู่เหมือนกันพุโทโธก็แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาหาพุโทโธก็ถูกแปดหมืนสีพันพระธรรมขันธ์ย่นลงมาลมให้ใจเขาออกก็ถูกแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ย่นลงมาหาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกแปดหมื 80, ่นสีพันพระธรรมขันธ์ย่นลงมาหากายว า, ายใใจก็ถูก มีความหมายอันเดียวกันแปดหมืส่สีพันพระธรรมขันย์ดันลงมาถึงเอกจิตเอกธรรมก็ถูกเขามีความหมายอันเดียวกันผิดกันแค่วงหานใช่ไหมครคล้ายว่าเราจะเข้าไปในกรุงเทพคนหนึ่งจะเข้าไปในทางเชียงใหม่คนหนึ่งจะเข้าไปทางในทิตตะวันออกทางไปดริ้ว คนหนึ่งจะเข้าไปในทางภาคอีสานคนหนึ่งมาทางภาคใต้คนหนึ่งมาจากภาคกลางมาจากลบบรุรีหรือแนว่วางจังหวั บ, บุรีก็ดีคนหนึ่งมาจากจุลวรรษสวนก็มารวมที่กรุงเทพแห่งเดียวทั้นใดก็ดีนโยบายกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างก็มารวมแห่งเดียวกันคำสอนแต่ละอย่างละอย่างก็มารวมแห่งเดียวกัน ก็มารวมที่มนโนภาคคำสามแปดหมืนสี่พระธรรมะขันมันเป็นคำสอนแต่ละบทละบาทแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละอุบายแต่ความหมายก็มีความหมายอันเดียวกันหมายเพื่อจะให้บรรเทาราคะโทสะโมหะนั่นเองสิงไหนที่จะบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางและเหยือแห้งหายไป สิงนั้นแลเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งไั้นที่จะส่ ง, สงเสริมต่อเติมให้ราคะจัดขึ้นให้โทสะจัดขึ้นให้โมคะจัดขึ้นจึงนั้นไม่ใช่คําสอนของพระสมมาทพุฐิเจ้าจะเป็นจินตะกวีแต่งเรื่องกินให้เคืองเพื่อให้ไพเราะในเชิงกาบจะเพียงใดก็ตามก็ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธศาสนา ิ่งไหนที่จะทำให้เบื่อหนายใครายมองให้สลดทั้งเวทในพุทธศาสนาในโลกในสงสารในโดยง่ายทิ้งนั้นแหละเป็นทำแก่นเป็นแก่นของธรรมในทางพุทธศาสนาจะสอนกว้างสอนแคบสักเพียงในก็าตามก็มีนโยบายเพื่อให้หั่นหำราคะโทสะโมหะเท่ า, า, ท า, าทนั้นเพื่อใบรรเทาราคะโทสะโมหะเท่านั้น สิงไหนที่บรรเทาราคาโทสะโมหะไม่ได้สิ่งนั้นถึงจะทําเพียงไปสักเพียงใดก็ตามก็หาประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นแต่ศักกว่าทธรรมค่ายๆก็อมอยาจะมีกี่หมอก็ตามจะหมอประเทศเนอกก็ตามมารักษาแต่ถ้าไม่บรรเทากีรลจะเสียงเงินตั้งหมืน่นตั้งล้านก็ตามก็หาได้ประโยชน์ไม่อันเดียวกัน กรรมฐานใดที่บรรเทาก็ัปเจริญของเราได้ก็กรรมฐานนั้นเป็นอาจารย์เดิมของเราทําให้เราเริ่มใช้ศรัทธาเราต้องเคารพอาจารย์นั้นต้องปฏิบัติอาจารย์นั้นบ่อยๆเช่นอาจารย์พุโทโธก็ดีอาจารย์ลหลวงพ่ใจเข้าออกก็ดีอาจารย์พิจารณาร่างกายก็ดีลองเราลองชิมดูคิมดูทุกอย่างทุกอย่างอันไหนมีรสดีแล้วก็เอาอันนั้นเพามันถูกกับเจริญของเรา มีรถดีด้วยบรรเทากรรมมาวิตกด้วยความติในทางการมความติในทางการมจะลดหย่อนลงได้ก็ด้วยพิจณาอัุพะอัุภังความติในทางพยาบาจะลดหย่อนลงได้ก็ด้วยอำนาจเมตตาคารุณานึกถึงเขาถึงเราวาหวงความสุขเหมือนกันไม่เบียดเบียนใครไม่ชอบการเบียดเบียน พอเห็นโทษในการเ ว, เวิดเบียนพอเห็นโทษในการจองเวียนจงไปนี่จะให้พยาบาทหรือวิหิงสาความเบิดเบียนลดย่อนลงสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคันดาสันดารก็มีโมหะอันละเอียดสิ่งที่จะทำให้โมหะอันละเอียดเบาบางลงได้ ก็อำนาจในพิจารณาอนิจจังพ้อขับลมหายใจเขาออกพิจารณาทุกขังพ่อขับลมหายใจเขาออกพิจารณาอนัตตาพ้อกับลมหายใจเขาออกพิจนาอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งรวมอยู่ในเป้าอันเดียวกันไม่ได้แยกออกจากกันเลยอนิจจังอยู่ที่ใดทุกขังก็อยู่ที่นั้นอนัตตาก็อยู่ที่นั้นเราก็กำหนดไว้ที่นั้นพ้อขับลมหายใจเขาออก ถือเป็นเป้าอันเดียวกันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยได้ได้ในอดีตคืออนิจจังที่ล่วงแล้วหรือทุกขรังอนัตตาที่ล่วงแล้วได้ไดในอนาคตคืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่ยังมาถึงได้ได้ในปัจจุบันจึงนั้นก็คืออนิจจังทุกขรังอนัตตาที่เห็นชาติอยู่เมื่อเป็นดังนี้อดีตอนาคตปัจจุบันในส่วนนี้เราก็ไม่ช่องใสเห็นความตายชัดในปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรม ความตายในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยในท่านนี้เห็นความตายชัดในคณะเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วเพรโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นความแก่ขณะคิดเดียวก็เห็นหลบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่ถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นเห็นตามสัญญาความจำมาต้องเห็นชัดเพรามเขาลมหายใจเขาออก ควกับขนันธกิจที่นึกคิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าจิตตานุปัสนาที่เรียกว่าธรรมานุปัชนาอยู่ในตัวจิตทิสิ่งไหนที่เป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสนาได้ก็เรียกว่าจิตตานุปัชนาได้เหมือนกันจิตกับธรรมก็ไม่เป็นช่องทามกันก็เป็นอันเดียวกันเป็นสามัคคีกัน เห็นอันนี้จังชัดอันเดียวอนุสัยที่นอนเนือนนงในขันธ์สันดานก็ยุบตัวลงไม่พยองอนุสัยคือกิเลสเมื่อเห็นโรคเต็มไปด้วยอันนี้จังแล้วหรือเต็มไปด้วยความแก่แกบตายชัดแล้วหรือเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมชัดแล้วโลกอดีตโลกอนาคตก็คืออะไรก็คือดิ่น้ำไฟลมในส่วนรูปขันธ์ ลูกคันก็คันผลาแปดเกิดแก่แกบตายเกิดขึ้นแพรป่วนและแตกสลายนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะเกิดขึ้นนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะแปรป่วนนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอันไรจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอันไรจะแพรป่วนนอกจากทุกข์ไม่มีอนไรจะดับไปนอกจากทุกข์นอกจากอนิจจ อนัตตาไม่มีอนไรจะเกิดขึ้นนอกจากอนัตตาไม่มีอันไรจะแปรปรวนนอกจากอนัตตาไม่มีอนไรจะดับไปอนัตตาเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอนัตตาเท่านั้นแหละแปรปรวนอนัตตาเท่านั้นแะดับไปทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละแปรปรวนทุกข์เท่านั้นแะดับไปอริยจังเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอริยจังเท่านั้นแหละแปรปรวนอริยจังเท่านั้นแะดับไปนอกจากอริยจังไม่มีอะไดจะเกิดขึ้น นอกจากอันนี้จังไม่มีอันใด จ, จะแปรปรวนนอกจากอันนี้จังไม่มีอันใด จ, จะดับไปนอกจากทุกข์มีอันใด จ, จะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอันใด จ, จะแปรปรวนนอกจากทุกข์ไม่มีอันใดจะดับไปมีความหมายอันเดียวกันรายรับอันเดียวกันรายจ่ายก็อันเดียวกันรายรู้ตาไปจริงก็อันเดียวกันอยู่เป้าเดียวกัน ไม่ใช่คนละเป้าเป็นโวหันหลายแผนเฉยๆคยำว่าโวหารก็หาลงในปัจจุบันเห็นปัจจุบันชัดอดีตอนาคตจะไปสงสัยทาไมเอาปัจจุบันเป็นพยานเองพยานอดีตพยานอนาคตมัเป็นพยานที่ล่องไปแล้วมันมีแต่บัญชี อนาคตก็เป็นพยายนที่ยังไม่มาถึงอดีตก็เป็นพยายนที่ร้องไปแล้วมีแต่บัญชีปัจจุบันมีทั้งพยายนด้วยมีทั้งตัวจริงด้วยอดีตคือมูลค่าที่ใช่ไปแล้วอนาคตคือมูลค่าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือมูลค่าที่กําลังมีอยู่ในกระเป๋าจะมีน้อยมีมากก็อยู่ในกระเป๋า เป็นพยานเองถ้าย้อนล่องลงมาก็แหลมนิดเดียวในปัจจุบันยัดเยียดมากกว่าปลายเข็มอีกด้วยโลกเมื่อโลกจัดเยียดกว่าปลายเข็มอ น, นิจังทุกขั้งอนัตตา ก, ก็ยัดเยียดขนาด น, นั้นเองทุกข์ก็ยัดเยียดขนาด น, นั้นเองนอกจากปลายเข็มไปหรืออะไรก็คือมรรคนิพพาน ลอกยัดเยียดเบียดเฉียดย่นลงมาย่นลงมาย่นลงมาแล้วเลกกว่าปลายเข็มสรากสิ่งเหล่านั้นไปคือมรรคผลนิพพานอดีตคืออะไรธรรมะชั้นสูงอดีตคือผู้รู้ที่รูอ ม, มาแล้วอนาคตก็คืออะไร คือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ผู้รู้ทั้งสามการนี้เคยเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไม่แตกสลายทั้งนั้นเวียนมาเป็น ร, บรอบๆดังนั้นพระบรมาศาติสิาจึงไม่ส้อนให้ติดอยู่ในผู้รู้ ให้เห็นว่าเป็นแต่สักว่ารู้ค้อมวับลมหายใจเขาออกเพราะทำลายอุปาทานเพราะทำลายภพอันละเอียดเพระทำลายชาติอันละเอียดเพราะทำลายเวทนาทั้นหาอุปาทานอันละเอียดเพราะทำลายสุขทุก อ, อุเบกขาอันละเอียดไม่ติดอยู่ในสุขทุก อ, อุเบกข า, าด้วยพยายาม จะทำลายเพื่อไม่ให้เป็นเหตุเพื่อไม่ให้เป็นกรรมเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นวิบากวนเวียนกันอยู่ขุนชมาชั้นสูงพี่สาวพี่สาวของลุงปู่เวลาจะตายตายพ้อขมกับลมหายใจเข้าออกเป็นเตสักว่ารูเป็นเตสกวา่า เ, เ, เห็น เ, เขาว่าลมห้ใจเข้าเพราะเขาจะถอนอุปาทานของเขาเขาจะถอนพวกถอนญาติเขาเขาจะถอนอวิชชาตันหาเขาจะถอนความเจริญทวายในใดทางปวงเขาจะไม่ทําวิญญาณปฏิสนธิให้ไปรข้องอยู่ที่ไหนที่สุดสุดไม่ินเข้ามาก็มาให้ไปรข้องที่ไม่สูดไม่สินเข้าออกมาให้ไปรขอ้องอัตตาเขาก็มาให้ไปรข้อง อนัตาเข้ามาขา้อหามาห่ายไปข้อองังรูฤทธิจังทุกครั้งเขาก็มาให้ไปข้อองังรูเขาจึงปฏิเสธว่าเป็นในสักวาลูเป็นในสักวาเห็นเพื่อจะปล่อยวางไปในตัวปล่อยพ่ปล่อยชาติไปในตัวปล่อยวิญญาณปฏิสนทิไปในตัวปล่อยความเขาลบลักไคไปในตัวเพียรพันวันณะของฝีสาวใครไปเห็นเขาเอวยป่าออกอิวพันวันณนะ พุทธพ่องมากคนอายุแปดสิบแล้วชื่อว่าแก้วลูกเขาเป็นรูปรล่อกว่าลูงปู่อัคโกตั้งสิบเท่าลูงปู่เป็นคนรูปที่เลยแต่ว่าหอหรือไม่หอก็อยู่ในท่าดินน้าไฟลมเน่าเมืนมเป็นเหมือนกันมีผู้ตามสมมติ แต่เขามาหาเนปฏิบัติอยู่กับธรรมยุตไม่เขาก็อยู่กับมาหาวิการปฏิบัติวัดพารานาะสีเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นชินลมปราณขณะนั้นเขาภาวนามานานแล้วยี่สิบปีแนละ้วแต่เขาไม่โกนหัวเขาบอกว่าการโกนหัวนั้น มันเป็นที่เป้าหมายของคนมากไม่โกนมันละนุ่งขาวเขากอไม่นุ่งขาวเขานุ่งตามธรรมดาถ้าใจไม่ขาวมันก็ไม่ขาวเขาไป้ถ้าเราโกนหัวนุ่งขาวล้ามันเป็นเอาสายหูสายตาของชาวโลกเขายกเยว่าว่าเป็นภรรยาของพระ ไม่โกนหัวมันละอยู่อย่างนี้ล้มันไม่นักหรอกผมก็อยู่เพราะผมเขาก็เลยไม่โกนเราก็รักษาเช้นหน้าบริสุทธิ์มานานแต่ลราตั้งจิ้นไปสิ่งของมีตามภาษาคนมันนอกและนางรัศวนโคก็บือ ตามเล็กตามน้อยตามภาษาเขาเขาเหมอะเป็นลูกข้เวต่อเขาหมดแม่เงินตังเดียวเขาก็ไม่เอาลูกคนไหนเขาว่าบิดามันนะก็เอามาให้กินก็กินเขาไม่เอามาให้กินก็กินเศษกินเดินของพระเขาบอกให้พี่สาวคุณแม่แก้วไปปันไร่ปันนาให้ด้วย ไปปันที่ดินให้ด้วยเออเราไม่ไปดอกพาะเรามาอย่างนี้แล้วขอให้พี่ใช้ให้น้องทั้งหลายปันเถิดแต่ส่วนลูกของเขาเขาปันมาแล้วส่วนคนอื่นที่นี่เขาไม่ไปเขาไม่ไปเป็นกรรมการด้วยเวยลาหายใจเข้าลมล ง, ลงทบเพลานเมืองบน หรือเล่นปีเวลาหายใจออกลมก็ทบปายจมูกมือเราจะตั้งไว้ที่ดั่งจมูกก็ถูกลมไม่ผ่านดั่งจมูกก็ไปผ่านที่ไหนเราจะตามลมเข้าไปสั้นออกยาวก็ถูกนิสัยของหลวงปู่พอเห็นลมเข้าข้างหนึ่ง ถ้าต้องการพิจารณาวิปัฒนาก็เห็นทั้งความเกิดขึ้นในแปรปรวนในแต่สลายด้วยเห็นทั้งต้นลมกลางลมท่ายลมด้วยพอเราเรารู้สึกว่าลมเข้ามันเป็นกลางลมแล้วแล้วมันก็มาเป็นท่ายลมพอเรารู้สึกว่าลมออกมันก็เป็นต้นลมลมกลางลมไปแล้วท่ายลมไปแล้ว อดีตเร็วนะักเกิดดับนี่เร็วนะักผู้พิจารณาเกิดดับกับผู้พิจารณาอานิจจังก็มีความหมายอันเดียวกันเขาพิจารณาแต่งเงื่อนเกิดในระหว่างกลางเขามันพิจารณาเขาพิจารณาเอาตอนดับ ม, ม, มันก็ถูกกันอยู่เหมือนกันเพราะพิจารณาเงื่อนเกิดแล้วก็พิจารณาเงืนดับ เขาไม่สาวมาตามกลางมันก็ถ er ูกเหมือนกันผู้พิจารณาถ้าเกิดขึ้นด้วยทั้งแปรปวนมานี้ด้วยทั้งดับมานี้ด้วยทั้งเกิดมาทางนี้ทั้งแปรปวนมาทางนี้ทั้งดับมาทางนี้ด้วยในระหว่างเกิดก็ดีในระหว่างแปรปวนก็ดีในระหว่างดับก็ดีมันก็เกิดท้าระหว่างไม่ได้มันก็แปรปวนท้าระหว่างไม่ได้มันก็ดับท้าระหว่างไม่ได้สมมติเราหายใจเข้า ก็มีทั้งแปรปวนและมีทั้งเกิดและมีทั้งดับเป็นรอบพิบจาขณาดหนึ่งก็มีทั้งเกิดขึ้นแปรปวนและดับลืมตาก็เหมือนกันชีพจรเดินก็ เ, นเหมือนกันปับ๊บข้างหนึ่งก็มีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับดิ้ต่อกันอยู่ไม่ขาดสายเป็นสั้นตติเมื่อโลกทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ สังขารละเอียดเป็นอยู่อย่างนี้โลกอนาคตโลกอดีตเราจะไปสงสัยทําไมในโลกละเอียดอัจตริโลกโลกภายในนี้ก็เลยโลกภายนอกก็อันเดียวกันสังขารภายนอกก็อันเดียวกันสังขารภายในก็เป็นมีเงื่นเดียวกันเกิดขึ้ น, น, นเนี่ยแปลผล้แตกกรหลายทางนั้นนั่นนี่เลยจะเป็นหุนทางเบื่อหน่ายคายมอของเราในวัฏสงสารถ้ามาอย่างนั้นก็มีประตูผู้หวังพ้นทุกในปัจจุบันในชาติก็ต้องอย่างนั้น ผูหวังเป็นนิสัยตายคาพุโทโตก็ไปเกิดพมโลกเพราะไม่ได้เหนียวอนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้ชัดเกิดพุมโลกเป็นประสวบาราบันบ้างพระเจากาะทมีบ้างพวกริภาวนาพุโทโธแต่อย่างลงถึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตา ก็เลยพ้นจากวัฏสงสารพุทโธเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับพุทโธเป็นวิสังหารคุณไม่ใช่สังขารคุณเป็นคุณอันไม่เกิดไม่ดับไปไหนผู้หลิกรรมพุทโธพุทโธนั้นเกิดดับําหาส่วนคุณพุทโธธรรมโมสังโฆหรือคุณมีรามนาหรือทุกคนท่านผู้มีคุณสงเคราะห์กันเข้าได้หรือคุณพนิพานก็สงเคราะห์กันเข้าได้ ไม่เกิดไม่ดับไปไหนเรื่องของจริงอยู่อย่างนั้นผู้ที่ได้เลิกถึงขาดขาดวิวินน์เป็นเกิดดับเป็นเพราะเป็นสังขารเพราะเป็นจิตตาสังขารส่วนคุณพุทโธธรรมโมสังโฆเขากลมกลืนกันอยู่อันเดียวกันเลิกถึงคุณพุทโธแล้วเป็นอนัตตาคุณคุณที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่อนัตตาฝ่ายสังขารคุณพุทโธ คุณธมรมคุณทังโกประมือนกันคุณวินาบนาปุญญาตาทั่ว็เหมือนกันคุณท่านภูมีคุณประมาณกันเทวุธเทเวดาประมาณกันไหลรวมลงที่พุทโธเหมือนน้ำแมหนองของเมืองบางนต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลเช่นใดพระมหาคุณทั้งหลายก็ไหลลงสู่คุณของพุทโทธธโมสังโกอันเดียวกันคุณพระเนรพนก็คุณพุทโธธโมโังโกอันเดียวกันเพราะยอดคุณของพุทโธธรรมโอก็คือพระเนรพลไปรวมคิวกันอยู่ที่นั่นไม่เกิดไม่ดับไปไหน นี่เรียกว่าวิปัสนาไม่ใช่สมาธิมัจจารวิปัสนามียันชัมประยุทธ์แบนี้แผ่เมตตาก็มียานชัมประยุทธ์เหมือนกันทามันไม่ตายถ้ามันไม่มีเวรมีภยัยทามันไม่ไมมีศัตรูแผ่เมตตาเป็นอนัตตาธรรมเป็นอนัตตาพรมเป็นท่าที่ไม่มีเวรมีภยัยธรรมปัญญาลถึงธาน ถ้าพิเจรณาทุกถึงดำเป็นธรมมันไม่มีเลนมีภัยเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเลนมีภัยเป็นอนัตตาธรตุที่ไม่มีเลนมีภัยเป็นอนัตตาขันธ์ที่ไม่มีเลไม่มีเลนมีภัยเป็นอนัตตามรที่ไม่มีเลนมีภัยเป็นอนัตตาผลที่ไม่มีเลนมีไัมันก็น้อมลงสู่วิปัสสนาได้เหมือนกันกรรมฐานทุกอย่างทุกอย่างน้อมลงสู่วิปัสสนาได้หมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละลาย สมถะทุกอย่างทุกอย่างน้อมลงสู่วิพัฒนาในเหมือนกันน้อมลงสู่วินิพกาฬคาวิมุตติสุตตีในปานในเหมือนกันที่เขามาถามเหมือนกันท่านหลวงปู่อันนี้ที่ว่าสัมมาอะระหังมันดีไหมหลวงปู่เออดีแล้วถูกแล้วสัมมาอะระหังก็แปลว่าท่านผู้เป็นพระอะระหัง พุทโธก kind of ็แปลว่าพันอาหารเหมือนกันเพราะเป็นผู้ตื่นแล้วก็มีความหมายอันเดียวกันจะมาอาหารก็มีความหมายอันเดียวกันยุบหน่อพองหนอพองหนอเป็นยังไงเออยุบหนอพองหนอก็หมายความว่าสมถะเหมือนกันถูกเหมือนกันผู้ที่บริกรรมว่ายุบหนอพองหนอนั้นเป็นเจตสิกส่วนการที่เห็นยุบหนอพองหนอน้อมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาคําว่ายุบหนอพองหน่อ มันมีเกิดมีดับแปรปรวนอยู่อย่างนั้นก็เป็นวิพัฒนาได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้พิจารณาบางท่านก็นกอย่างขาวนกอย่างขาวก็พิจารณาลงสู่วิพัฒนาอะไรเหมือนกันพอเห็นบริกรรมของตนเองเกิดดับอยู่แปรปรวนเป็นมณจีสังขารเป็นจิตตะสังขารก็ไม่สามารถจะยึดมั่นถึงมันเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาได้ สนิทสนมเหมือนที่เคยยึดถือมานะเป็นในศักวะธาตุเป็นในศักวะคำเป็นในศักวะขันเป็นในศักว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือเอาจนไม่รู้จักว่างถ้ากรรมแล้วไม่รู้จักว่างถ้าเขียนแล้วไม่รู้จักลบก็ไม่ถูกสมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติจะไปยืนยันก็ไม่ได้ถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของสมมุติ เวมุตก็เป็นจริงจริงตามเวมุตแต่ไต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวมุติเพราะเป็นธรรมแต่ละอย่างละอย่างสุขก็เป็นจริงตามสุขแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นแต่สามควาสุขเวทยาทนาทุก็เป็นจริงตามทุกกายจกระทุกทุกทางกายแก่เตะแต่แกตสิกทุกทุกทางใจไม่มีในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนได้เว้นในเกิตสิกทุกทุกทางใจ เฉะนั้นจึงว่าพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาเป็นเพียงกายอยาณุพัชนาเท่านั้นพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาเป็นเพียงเวทนาตัวปัจจณาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาเป็นเพียงจิตานุพัสจณาเท่านั้น มันก็ตรงกับคําว่าเป็นเทัสาวรู้เป็นเทอสาวเห็น ก, นก็มีความหมายอันเดียวกันถึงเรานี้เรียพิจารณาลงสู่อนัตตาก็ตรงกันมันคืนไม่ล่วงไปเฉยๆช่างขาลก็ล่วงไปด้วยล่วงไปหาช่างขานั่นเองเป็นรอบๆอยู่ หมุนอยู่เหมือนกลองจกักหมุนรอบหนึ่งก็เป็นความเกิดขึ้นไปปวนรอบหนึ่งแล้วทีนี้มันหมุนเร็วจนไม่มีรอบมันก็เป็นรอบเก่าของมันนั่นเองที่เราเกิดมาอันนี้ไม่ใช่รอบใหม่รอบเก่าของเก่าที่เคยเกิดมาแล้วนั่นเองเราแก่นี่มันก็ไม่ใช่รอบใหม่รอบเก่าของเราที่เคยแก่มานี่เอง ความเก็บความตายก็เหมือนกันความป่วยความเน่าก็เหมือนกันก็เป็นรอบเก่าของเราที่เคยเก็บแก่เก็บตายป่วยเน่าออกมาเองไม่ใช่รอบใหม่มาจากประตูไหนเรามาสมมุติใหม่เราค่ายเขาว่าใหม่แต่ก็เป็นของเก่าเอสะธโมสนันตโนพระธรรมเป็นของเก่ามรรคผลนิพพานก็เป็นของเก่าพอปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็เป็นของเก่าผู้ผู้รุ่น้นไปแล้วพ็ไปทำเหมือนเก่าเหตุฉะนั้นสาว่าพระนิพพานพรนิพพานจึงมีมาแต่ดึกดำบรรณ เราปฏิบัติเพื่อหลุดตพวพ้นปัญหามันก็ไม่มากรปัญหาในส่วนตัวของเราไม่มากถึงมีกิลเลสมากกว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าก็าตามปัญหาไม่มากถ้าเราปฏิบัติเพื่อปัจจัยสี่ปัญหามันก็มากแต่ว่าส่วนนี้ใครจะเป็นพยานให้ก็ตัวเราเองเป็นพยานเราเองเราพูดแต่ปากหรือจริงอย่างนั้นเราก็ต้องตอบเราได้ คนอื่นจะมาตอบแทนไม่ถูกถ้าคนอื่นมาตอบแทนมันก็ไม่ตรงกับความว่าสันทิปที่โกเห็นเองบัจจตังเห็นเองนู่เฉพาะตนข้นเฉพาะใจเห็นแยบในเฉพาะใจเป็นมันเราอากาลิโกมีอยู่ทุกการทำฝ่ายชังนขานก็มีอยู่ทุกการทำฝ่ายวิสั้นขารก็มีอยู่ทุกการ ความเกิดความนับก ah ็มีอยู่ทุกการทาอันฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกการทุกการของปัจจุบันนการนี่เองเราพิจารณาดิมแล้วเข้าใจว่าดิมอยู่ในอดีตอนาคตไม่ถูกมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเราพิจารณาน้ําแล้วเข้าใจว่าน้ํามีอยู่ในอดีตอนาคตมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเราพิจารณาอนิจจงแล้วก็ตีความหมายว่าอนิจจงอยู่อดีตอนาคตมันก็ไม่ถูก มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเองก็ไม่ต้องหาทำไมถึงหาเพราะมันไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องหาเองซัยใส่โลกธาตับภายนอกก็ดีชับภายในก็ดีเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดสังหานี่มาซับก็ดี สังหาริมารัพก็ดีวิญญาณนะครับก็ดีสักวิญญาณนะครับก็ดีตลอดถึงทรัพโอตระปะของกลัวตะว่าก็ดีหรือโซดาวันทรัพสกทาคาทรพปัญาคาทรพปาราทรัพทรัพภายในซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายโลกุตตะก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นของอุปเทศานะเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดน่าเมื่อน้องคลองเมืองบางสุดต่างไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวทรัพใดๆก็ไหลลงสู่ พระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นที่เป็นโลกิยะหรือโลกุตละกอตามเที่ยบในทางสูงเดีวนี้เข้มทิศจะมีกี่ล้างล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉนันในก็ดีในใต้โลกธาตุนี่ับสิ้งการบริวารในสับใต้โลกธาตุนับแต่พรมมาโลกลงมาก็เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาหมดเพราะเหตุใด ต้องเหตุว่าถ้าพระใจโลกธาตุพระอริยะเจ้าสีจำพวกท่านคลายแล้วจึงวางทรัพย์ของท่านท่านมาเป็นคู่แย่งกับพวกเราพระอริยสี่จำพวกคือใครบ้างสมาสัพพุทธจำพวกหนึ่งปเจกับพุทธจำพวกหนึ่งสาวกพุทธจำพวกหนึ่งสาวิกาเพศผู้หญิง พุทธะจำพวกหนึ่งเรียกว่าพุทธะสีจ่จำพูกที่เป็นพระหลานไปแล้วเพราะท่า น, น, น, า น, น, า เ, นเราท่านขายแล้วเมยมาเป็นผู่แข่งกับเราท่านคลายแล้วทาไมถึงว่าทรัพย์ของด้านเออก็นำลายของเราที่เว้นทิ้งแต่มดมันมาจอทีนี้เราก็ว่านะ้ำว่านำลายของคนนั้นคนนี้อุจจาระของเราที่ถ่ายเททิ้งแต่หมู่น้อนที่กองทุบกูด มูนอนมันมาแย่งกันก็ว่าอุจจระคนนั้นคนนี้หรือกีเทอคนนั้นคนนี้หรือปัจฉวะคนนั้นคนนี้ฉันในก็ดีในใจโลกธาตุเป็นเศษก้างของพริยาเจ้ทาทั้งหลายทิ้งแล้วพวกเรามีกิเลสยังไม่พ้นก็มาแย่งกันแต่ผู้มีศีลมีธรรมเขาก็ไม่แย่งมีขอบเขต เข ก, ก็เอาแต่เฉพาะที่เป็นส่วนของเขาก็ไม่แย่แต่ว่ายืนงงท่านมาใช่พวกเราเล็มเรียอยู่ทุกวันนี้เ ล, เลียมเรียน้าลายน้ํามูดของพระเรียเจ้าวทางหลายนั่นเองพระเจ้าสี่กีวันมินธบาตเสนาสนะและเพสัตว์นี่น้ารายน้ํามูดของพระอริยะสี่จำพวกนั่นเองแต่ว่าอย่าเรียใช้เฉยเลยรีบเร่งปฏิบัติพ้ทุกท่านพูดอย่างนั้น แต่ท่านก็ไม่อวดดีอวดเก่งวนะ่าพวกโรกทั้งหลายอย่านาลายเราแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับเข็มทิศชี้ไปในทางทิศเหนืออืมทิศเหนือก็มาในโอห้งบางกะโหลวเข็มทิศทั้งหลายชี้มาหาเราเข้มทิศก็ไม่บ่นว่าเราเสียเปรียบชี้ไปในทางทิศเหนือแต่ความจริงของมันเป็นอย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืนมันก็ชี้ไปไม่มีกลางวันกลางคืนน้ำไหลลงที่ต่ํามาหาจะหมดมันก็ไหลลงมปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน มันก็ไม่ได้เสียเปรียบมหาสมุทรเลยแล้มหาสมุทรก็ไม่โอหังวังเขาลาว่านำทั้ไหลามาสู่เราแต่ความจริงในเช่นนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เข้าใจนะืมทำไมจะไม่เข้าใจคนขนาดนี้แล้วเมื่อเป็นเรื่องนี้อะไรอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญลุ่งเรืองเสีแล้ว จิตใจของพวกเราเ็าโอนไปเอ็นไปน้อมไปในพระนิพพานดังนั้นมีคนเดียวและอาที่จะน้อมไปทางอื่นไม่ชียนชั้นจากนั้นแล้วข่าวนั้งซื้อพิมก็คือข่าวอนิจจังทุขังอนัตตานั่นเองก็คือข่าวเวียนข่าวไปนั่นเองข่าวคนเกิดก็คือข่าวทุกข์ข่าวคนแก่ก็คือข่าวทุกข์ข่าวคนเจ็บก็คือข่าวทุกข์ ข่าวคนตายก็คือข่าวทุกข์แล้วมีความเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่รถของธรรมดาเป็นรถทุกข์ธรรมดานิทานว่าธรรมดาธรรมดาโรูีเป็นธรรมดาทุกข์ธรรมดารักุตระนับแต่โสดาวันขึ้นไปเป็นธรรมดาที่ก้าวขึ้นขึ้นสู่ความเจริญในมรรคผลในพนชั้นสูงธรรมดาพระอรหันต์เป็นธรรมดาไม่มาเกิดแก่เก็บตาย ธรรมชาติก็เหมือนกันประชาธิปไตยก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมพื่อหารนิยมไม่มาเกิดแก่เจ็บตายสังคมนิยมของพวกเราก็เป็นอันหนึ่งสังคมของแมลงพึ่งก็เป็นอันหนึ่งสังคมของแมลงวันก็เป็นอันหนึ่งประชาธิปไตยก็เหมือนกันโลกคข้าวาเพลนก็เหมือนกันแมลงพึ่งมันก็บอกว่าโลกคข้าพาเพ็ิน แม่แรงวันมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นพระโสดาบันก็บอกว่าทำพาเป็นโลกท่านพาเป็นพระเจ้กระสาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระหรหันก็ว่าเป็นจบแล้วเป็นประชาธิปไตยจบแล้วเป็นทั้งคมนิยมจบแล้วเป็นธรรมชาติอันจบแล้วเป็นธรรมชาติอันที่ไม่เกิดไม่ดับน่ะ ถ้าเราไม่แข็งแรอย่างนี้เราไม่พิจารณาอย่างนี้ยังไม่ให้แยบกายยึดใจเราของเราก็ไม่ได้ยินดีในพระนิพพานเลยแม้แต่นเนิกน้อยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ยึดใจของเราก็เองไปโอนไปน้อมไปพุโทโธคําเดียวก็หวังพระนิพพานไม่ใช่ทําพอหลอกเล่นทำโมคําเดียวก็หวังพระนิพพานทําเพื่อพระนิพพานไม่ทําเพื่อบูชาเกียรติ ไม่ทำเพื่อว่าจะติดอยู่ในวัฏสงสารไม่วัี้จากทางเข้าไม่ทางพับเส้นหนึ่งก็โอนถึงพระนิพพานเลยไม่ได้วางว่าจะทำเพื่ออาม m i ตอบแทนในวัฏสงสาร น, นี้พรจิตมันโอนไปน้องไปเอ็นไปแล้วพอมันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วลคุณวิยนุษย์อ่ะกุฏิวิหารของคุณ่ะ มันมีอะไรสองมากคนไปพักอยู่บ่อยมีอะไรสองมากนะเออวิมานนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในชวังสวรรค์เออมันเกิดขึ้นแล้วผู้ตามตํานานหลวงปู่ก็มไมไ่เห็นหรอกผู้ตํานานของพระโมกขลานาพระโมกขลาขนาขึ้นไปสวรรค์มาลบ ก, กําลังสร้างกุฏิวิหารสวายพระอยู่ เกือบจะเสร็จแล้วและเสร็จแล้วก็มีล้มพระท่านเสร็จก็มีทีนี้พระโมคคัลลาขึ้นไปบนสวรรค์ช่วยรับนิ้วมือเดียวถึงแล้วรับนิ้วมือเดียวนี่นี่นี่นจะลงมาก็นี่ถึงแล้วเหมือนคําฝันเดี๋ยวรับนิวมือเดียวพระคงเทพ เนื้อรัดมือเดียวกเนิ้อมือเดียกพวกอุดอรเป็นตัวเป็นตนตไปจะแล้วถ้าโมคะลาไปก็แบบนั้นไปโดยช า, ยยานโดยญาณขององค์ท่านพอไปถึงแล้วจะถามเทนบุตรเทวดาวิมานของใครไมมานของนันทรข้ามานพทําไมไม่มีเจ้าของแล้วของเขาอยู่ในมนุษย์โลกขเขานน ก, กาลังสร้างวิมานในมนุษย์โลกกุติวิหารในมนุษย์โลก เดี๋ยวมันเกิดเป็นของเทียบขึ้นแล้วจางนี้แล้วของยังไม่ทันตายทีนี้ก็พอลงมาแล้วก็ไปกราบทูลพระบระมศาสนาข้าแต่พระบระมศาสนาผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขึ้นไปถามเทวบุตรเทวอาไม่ใช่คนที่กำลังสร้างกุฏิวิหารอยู่แล้ว วิมานมันเกิดขึ้นในช่วงสวรรค์มีหรือไม่ไปเจรจ า, าเออเธอก็ลงมาเดียวนี้เธอไปถามเทวดาก็แล้วจะมาหาอบายถามเราทำไมเธอไปเห็นมาแล้ว ม, มันก็มีซิเธอก็ไปเห็นมาแล้วใช่ไหมเธอลงมาเดียวนี้ใช่ไหม ของทิพย์มันเกิดขึ้นเช่นเรารับตาของทิพย์มันก็เกิดขึ้นมันมืดเช่นเราลืมตาของทิพย์ก็เกิดขึ้นมันเห็นสิพอใจไหมสิ <c oughs> <c oughs> พอเอาแล้วหรือยังเอแล้วนะเออไปนี่เยอะก่อเยอะเยะแล้ พูดบปอยู่เท่าไรเขาเก็บคอเท่าไรทองนาให้ดีเนอะน้องชายเลยหลานเพืค่ะหลานเออแต่้องเคยฝึกก็ตอนเด็กๆเออแล้วก็อยู่โรงเรียนไหนเนี่อยู่โรงเรียนเกษตรเออเรียนจบแล้วนะยังอยู่ชั้นไหนนะนี่อยู่ปีหนึ่งฮะปีหนึ่งปวททเออเรียนจบมา ม6แล้วเทียบกับม8นะคะอ๋ะอเ่อง <h ả? S 1> เ, เก่งเหมือนกันเรือเก่งเหมือนกันใช่อเป็นสอบวทอออวทเรืเก่งเหมือนกันนะเอออย่าไปเล่นโ ก, โกิโกกิเจกับเขาเนอ้ออย่าไปเล่นิโกกิเเขาเน้อต้องเก็บตัวเนอ้อมันจะไม่สงเกียรติพวกเราฐานะของพวกเราไม่เป็นคนอย่างนั้นมันจะเสียวงตระกูลของพวกเรา ถ้าชวนเราเป็นขี้โกงขี้เกรครับไปชวนอะไรต่ออะไรกับผู้หญิงค่มคืนหรืออะไรอย่าไปกับเขาเนอะอเก็บตัวเนอะรักษาวงศตระกูลของเราให้ดีวงตระกูลของเราเป็นวงตระกูลพระพุทธศาสนาเสียชีพอย่าเสียชีวะประวัติชีวประวัติต้องรักกว่าชีวิต บายยมุคทุกประเภทหาอาบายละให้มันเด็ดขาดจะไปวุ่นมันมันเคยตัวจะไปวุ่นมนัอย่าไปสงสัยเลยอยาบายยมุคทุกประเภทจะพาให้ทับชิ้นขาดบริวารเจริญไม่มีสารอุทธร์มีแต่ทำชิ้ให้ฝ่ายเดียวสมเร็จพระพระมาศาสดาทุกๆพระองค์ลองเอ่ยกัน แม่เนี่ยมีข้อแม่ข้อพ่อกันแม่นี่มีข้อคัดข้านกันลงเอ่ยกันพระพุทธเจ้าทุกทุกองไม่ไม่มีสารุตรใครไปทําก็ไม่เลิกหน้าชิบหายรัฐบาลเขาทำทำไมทําก็ตามเขาแต่เราไม่ซื้อเขาก็ไม่บังคับหนึ่งก็ตามเขารัฐบาลถ้าเขาเอาเงินส่วนรวมมาทํา อาชีบหายเราก็ชิปหายเหมือนกันอถ้าไม่ใช่เงินเขาคนเดียวเราเอาเงินของเราไปาไมันชิบหายเมื่อเราชิบหายรัฐบาลเขาไม่ได้แบ่งมาให้เราด้วยเออพวกนั้นซื้อชิบหายแล้วอืมแบ่งทุนให้เขาด้วยเขาไม่ได้วา่าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้ว่าถ้าทั้งหลายอืม จงซื้อหัวซื้อเร็เสื้อผ้า บ, บำรงรัฐบาลบ้างท่านก็ไม่ว่า <c oughs> แล้วอย่าพากันมาทำอย่า yeah. น้วงปู่จะพูดอีกเลยตระกูลจะมั่งคั่งสักเพียงไหนก็าตามจะมีเงินตั้งพันล้านก็าตามตั้งอยู่ไม่ได้ตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะจะฐานสีในข้อแดข้อหนึ่ง หไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บุญละะพัสดุสิจที่ข้ามข้าสไ ม, ม่เลยจะประมาณในการบริโภคสมบัตสี่ตั้งสติหรือบุรุษทุศิลป์เป็นแม่เรือนพ่อเรือนนี่คนี้สำคัญมากบุรุษหรือสติทุศิลเป็นแม่เรือนพ่อเรือนเป็นผู้เจ้ากระเป๋าแล้วเป็นผู้รายรับรายจ่ายแล้วจะเป็นคนทุศิลเป็นคนแม่ละใกล้ในศิล ในธรรมของพระบระมศาสดาในคำสอนของพระองค์พระบรมศาสดาแล้วทัพย์จะมีเทา่าไหร่ก็ตามสามารถชิบหายโดยเดียวไม่บุญละหน้าพัสดุที่คําค่าไม่ี่จะประมาณในการบริโภคสมบัติไม่บุญละหน้าพัสดุที่หายแล้วไม่บุญละาพัสดุที่คําค่าไม่นนดูจักประมาณในการบริโภคสมบัติ หาได้ห้าก็ใช้สิตั้งสติือบุรุษุสินนี่เป็นแม่เรือนพ่อเรือนข้อนี้สำคัญมากถ้าบุรุษุสินเป็นแม่เรือนพ่อเรือนเป็นเจ้ากระเป๋าเงินแล้วมันเอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นธรรมมันก็ชิบผายหมดเพราะชิพายไปด้วยความประพฤติของตนอันไม่ดีนี่สอนคารวะตรงๆสอนพระสวสดาบ คำของพระโสดาบันไม่ใช่คำของพุทธชนคนหนาตอนที่โตกัลมาวสังพระโสดาบันเท่านั้นเป็นบัณทิตในทางฆรวาสเป็นต้นไปพระโสดาบันทู้ททลาาคลองเรือนในข้างพุทธกาลพระองค์ทรงสรรเสริญพระจ้กระถาคามีก็คลองเรือนพระนาคามีก็คลองเรือนแต่เป็นคนโศ เขาไม่มีการมฤตยตกพยาบาวิตกวหิงสาวิวตกเรียกว่าเป็นคนโสมีคู่อยู่ก็าตามไม่มีการมารมสัมพยุทธกับจิตใจนอนอยู่ด้วยกันกับภรรยาก็นอนอยู่เหมือนขี้ดินไม่มีราคะกําหนัดกันในทางกามาร ม, มส่วนพระหรหันจ้ า, าวสาเร็จพระหรหันในคราว่า ก็สิ้นลมปาณในวันที่แปดถ้าไม่บวชเป็นไม่เท่บวชพระเพศฆราวา่าสไม่สงสาะพระอรหันต์จะอยู่นานส่วนพระอนาคามีนั่นจะอยู่สิ้นอายุไขตลอดพระโสดาบันจัการทาคามีก็เหมือนกันทางฆร า, าวาสไม่เหมือนพระมิณณีพระเนณณีต้องอยู่จนสิ้นอายุไข ถ้าสำเร็จพระอาหารหันต์แล้วคาสวะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เกินเจ็ดวันวันที่แปดก็เข้าสู่อนุปาชฌานิพานชินลมปาณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่คาวาะก็สามารถถึงพระรยาประคลได้เหมือนกันในระหว่างวิดามันดา ย่าพอมาให้เขารบมรักนับถือถึงแก่เจริญพระบรมศ า, า, า, าสดาเกิดมาในพวกใดชาติใดไม่ได้ทิ้งพระบรมไม่ได้ทิ้งวิดามาดาเลยมีน้อยก็แบบให้น้อยมีมากก็แบบให้มากถือว่าเป็นปูชนียสถานพระบรมศ า, าสด า, าเทียบว่าคุณวิดามาดาเปรียบเหมือนคุณพระหลานจะไปดูถูกดูหมิ่นไม่ได้เอวิดามาดาของเรานี่ยสก ป, ปกมาก เป็นหน้าที่ของเราจะเอาไปซักไม่เป็นหน้าที่ของเราจะบน่นเสื้อผ้าอะไรอาพอรชกกะโปรงมากไม่เป็นหน้าที่เราจะบน่นที่ น, นั่ที่นอนที่นั่งขององค์ท่านเราจะไปเหยียบไปย่ําต้องเคารพเมื่อท่านพูด เราอย่าไปคึงขังสท่านถึงท่านพูดมันเป็นธรรมแล้วก็จะคัดค้านองค์ท่านเราก็ต้องหาอุบายข้อรบคัดค้านอย่าไปหิ้วหูคัดค้านมันบาปลูกๆคิดถึงคิดเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นลูกจึงได้ทำอย่างนั้นลูกขอศึกษาว่าทำอย่างนั้นมันจะผิดหรือไม่ต้องพูดมีข้อรบพระเณยพระก็มีจะคัดค้านครูบ า, า, าอาจารย์ต้องคัดค้านข้นขอ เป็นเชิงปรึกษาไม่ใช่เชิงสอนโต้งโต้ ง, งทำอย่างนั้นจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนั้นันจะผิดหรือไม่ท่านอาจารย์เมื่อท่านในสติท่านลบเองไม่จำเป็นที่จะไปตวาดหรือจะไปขู่ไปเข็นทำหน้าหิ้ยคิ้วขมวดไม่ถูกเสียความเคารพ อ, อาพัพ ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เหมือนกันอาพับไม่ขึ้นคนนั้นคุณมีด า, าเมืนนาเปรียบเหมือนคุณพระหลานเราเกิดมาชาติใดพบใดไม่ได้ทิ้งมิดามืนนาเลยเทียบเหมือนคุณพระหลานชาติเป็นนกแขบก็ไปได้าบเอารวงข้าวที่ตกหล่นของชานามาเลี้ยงมีานาเมมารนนาชาติเป็นลิง ก็ไปหาผลไม้มาให้วิรามาาชาติเพ็นโคเป็นกระบือไปเห็นหญ้าสีเขียวงามๆอ่อนๆก็ไปยืนเฝ้าไว้พอบิดามาากินมาถึงก็ให้อนักจัญญาให้กินเละราะฎาคนนี้ชาติเป็นคนจนหากฟื้นขายที่นี่ก็แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปเอาไปฝัง ก็อเอาไปทำบุญในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเอาไปใส่สทะเลหลวงคือเอาใส่ปากใส่ท้องใส่เท่างอะไรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี้คือวินามันดาส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเหา่าเอาไปให้ภรรยาถ้าไปได้มันก็ห่าฟอฟอ้อพระพุทธศาสน า, สนาสไม่ได้ชื่อวินามันดาเลย เพราะนี่สำคัญมากหอให้พวกลูกๆพากันเคารพมานี่จะเจริญก้าวหน้าเหตุฉะนั้นหลวงปู่มหาจึงไม่ยอมให้ใครปฏิบัติมนานาเก่งว่าเขาจะเรียกมันเป็นธรรมจึงเอามาบวช ด, ด้วยเก่งเขาจะไม่ให้เกียรติให้ยศเขาจะทำหน้าหิ้วขิ้วขมวดใ่แต่ว่าฐานะของหลวงปู่มหาไม่มีหรอก พอพอปากพอท่อแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ไว้ใจท่านจึงเอาวีนามาเอามันนามาตายด้วย อ, อยู่กับองค์ท่านอาจารย์ชิงทองก็เหมือนกันแต่บุญอาจารย์ชิงทองม่มากเท่ามันนาก็เลยไปก่อนจ้กแต่เราถ้ายังอยู่ก็เอามันนามาเหมือนกันใครจะไหวอยังไงก็ตามตม่บัรนนาของเราตายไปใช่แล้ว แต่ก่อนเรายังไม่บวชโอ้เราบวชแล้วมานาพันชาที่เราบวช2ั8งพันสรอแปดิบหกคนเองยังบวชภายแก่อายุสามสิบแล้วเราจึงบวชเพราะเราไปสร้างคารวะอยู่มาในขราวนี้เพรจะได้ประมาทวินามานันนามีอะไรก็แบงให้กินให้ใช้ยัาไปใช้สนุกแต่ตัวเอง กินอะไรนุ่งอะไรห่มอะไรนึกเห็นบรนดาบา้านึกเห็นวิดาบา้าอย่าไปทำหน้าหิวหว้วขิ้ขโมดอย่าไปไปชดแดกดันธรรมมาข้าไม่ขึ้นเป็นพระก็ไปไม่ตลอดเป็นข้าวาสก็ไปไม่ตลอดวิบัติมาตาปิตุปัฏฐานะ การปฏิบัติมานานเวลาเอตมังคามุตตมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ต่างหาที่นอนนอนมุ่งขององค์ท่านเราจะไปเหยียบเต็มฝา่าตีนฝ่าเท้าอย่าไปข้ามถ้าเช็ดหน้าก็ไม่ข้ามถ้ากาดขาด ข, ข, ของวีรามานดาก็าต้องเขารพหมดไม่จำเป็นจะไปเหยียบไปย่ําไม่จำเป็นจะไปข้ามกาย เครื่องใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแม่กระทอนก็เหมือนกันพระชนะอยู่ในบ้านในเมือองเรือนของเราเหมือนกันช้อนก็เหมือนกันถ้วยก็เหมือนกันชามก็เหมือนกันหน้าต่างก็ไม่ควรไปนั่งบางคนเห็นบางจะพวกนั่งหน้าต่างถินก้อนใสแล้วก็นั่งหน้าต่างเลยไม่ถูกพระมีต่ำมีสูง ขาดละโวจะนิวาโตเอตัมมังาะมุตตะมังความเคารพความยำเกรงเป็นมงคลอันอนุดมของเทวดาและมนุษย์ต่างหากความประหยัดเป็นเหตุไม่ให้ลืมตัวเสื้า อ, อาพรณของเราถ้ามันขาดแล้วก็ต้องปะต้องชุนมันจะขาดจะเพียงไหนนุ่งห่ม ออกบ้านไม่ได้ก็นุ่ ง, งห่มนอนอยู่ในบ้านของเราคอให้มันสะอาดก็พอเช่นพระอย่างนี้พระบรม ศ, ศรร า, าสนาก็สอนให้ประหยัดคนซื้อได้ซื้อได้มันลืมตัวเข็มคอยมีอยู่ประจำตัวทุกๆ ท, ท่านเมื่อมันขาดแล้วจะได้ชุนได้ปะ แต่เราไม่ได้เก็บกเมดกเม ร, มรจนไม่รู้จักทานศีลภาวนานี่หมายความว่าเราไม่ให้สุริสุราชไม่เอ่ยเหิไม่ไมรูร้ล้าจนเกินไปอืมไปนี่เอะที น, น้สองสอง ก, ก, กันสอง ก, กันแล้ว ก, กลับ ก, ก, ก, กับเพื่อนเจ้าค่ะอืมนีช้าหนูจะมาใส่บาตรตั้งปูนเจ้าค่ะจะทานหรือล่ะ คิจะทันก็นเตรียมไว้ตอนเย็นแล้วจ้ะเตรียมไว้แล้เตรียมว่าพรุงนี้จะทำอะไรบ้างเพื่อว่ามีเพื่อนเนดนเินแล้วะจะมาทางร <c oughs> ัดก็คงมาตามค่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องปู่เจ็บคอมากออ ม, มียาฉันใช่ไหมมีไม่สบายไม่ต้องค้อนก้ยฉันไม่หมดจ้ะ